เมหาปัญญายัคหมวดว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญามากหนึ่งมหาปัญญาสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญามาก1 0ึ่พับแปดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทำสี่ประการ น, นี้ที่บุคคลจเจริญทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความมีปัญญามากทำสี่ประการอะไรบ้างคือหนึ่งสัตปริศสังเสวะสสัตธรรมมัสสวนะ 3. โยนิโสมนสิการสธรรมานุธรรมปฏิปติภิกษุท์ทั้งหลายทำสี่ประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความมีปัญญามาก มหาปัญญาสูตรที่หนึ่งจบ 2. ปุถุปัญญาสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาแน่นหนึ่งหย่อมเป็นไปเพื่อความมีปัญญาแน่นปุถุปัญญาสูตรที่สองจบ 3. วิปุละปัญญาสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาภัยบูนห์1 6 0ย่อมเป็นไปเพื่อความมีปัญญาภัยบู์วิปุละปัญญาสูตรที่สจบ 4. ค่คำพีรปัญญาสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาลึกซึ้ง 1,061 ย่อมเป็นไปเพื่อความมีปัญญาลึกซึ้งคำพีและปัญญาสูตรที่สจบ5อปมัตต์ปัญญาสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาหาประมาณไม่ได้ 1,062 สอง ย่อมเป็นไปเพื่อความมีปัญญาหาประมาณไม่ได้อัปมัตต์ปัญญาสูตรที่หจบ 6. ภูริปัญญาสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาดุดแผ่นดินหนึ 63, ย่อมเป็นไปเพื่อความมีปัญญาดุดแผ่นดิน ภูริปัญญาสูตรที่6จบ7ปัญญาภาหุลสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาหลากหลายหนึย่อมเป็นไปเพื่อความมีปัญญาหลากหลายปัญญาภาหุลสูตรที่7็จบ สีข้าปัญญาสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาเร็ว 1,065 ย่อมเป็นไปเพื่อความมีปัญญาเร็วสีข้าปัญญาสูตรที่8จบ 9. ละหุปัญญาสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาฉับพลันหนึ่งันย่อมเป็นไปเพื่อความมีปัญญาฉับพลันและหุปัญญาสูตรที่9้าจบ10หาสัพ ป, ปัญญาสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาร่าเริง 1,067 ย่อมเป็นไปเพื่อความมีปัญญาร่าเริงหาสัพ ป, ปัญญาสูตรที่สิบจบ11ชวนะปัญญาสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาแล่นไป 1,068 ย่อมเป็นไปเพื่อความมีปัญญาแล่นไป ชวนะปัญญาสูตรที่สิบเอ็ดจบ12ติขปัญญาสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญากราหนึ่งพัย่อมเป็นไปเพื่อความมีปัญญากราติขปัญญาสูตรที่สิบสองจบ สิบสามนิเพธทีกะปัญญาสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาชำแรกกิเลสหนึ่งพันเจภิกษุทั้งหลายทาสี่ประการที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความมีปัญญาชัแรกกิเลสทาสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. สัปปุริสัสสังเสวะสอง สัตธรรมมัสสวนะสามโยนิสโสมนาสิการสี่ธรรมานุธรรมะปัตปติปติภิกษุทั้งหลายทำสี่ประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความมีปัญญาชำรกกิเลสนิเพธทกับปัญญาสูตรที่สิบสามจบมหาปัญญวักที่เจ็ดจบ